ถ้เหตุแน่ดีตกันนะภาษาภาคเรียกภพพาโยค่อดีตในปัจจุบันนี้ก็ได้อดีตใน อ, อดีตในพบที่ถัดมานั้นก็ได้ถ้าอดีตในปัจจุบันในภพนี้ก็คือเป็นคนที่สั่งสมตั้งอัธยาศัยเพื่อจะทําปัญญาชนิดนี้ให้เกิดขึ้นที่จะสามารถแก้ไขจัดการอะไรได้อย่างรวดเร็วมันมาจากอะไรปฏิพานชนี้มันมาจากว่า เห็นผลแล้วสาวหาเหตุได้พอเห็นผลปุ๊บเนี่ยการฝึกการฝึกตนเองจนชํานาญว่าเวลาเห็นคนคนนี้มีบุคลิกภาพแบบนี้รู้ทันทีเลยว่าการไปสร้างเหตุแบบไหนมาจึงกลายเป็นคนแบบนี้เช่นคนที่มีความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินชอบความสวยงามทั้งหลายเหล่านี้ยรู้ทันทีไอ้เจ้านี้ยไปสร้างเหตุประเภทนี้มาจึงเป็นคนแบบนี้ อีกคนนี้เป็นคนเครียดคนโกรธง่ายเจออะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็โกรธเนี่ยรู้ทันทีว่าไปสร้างเหตุประเภทไหนมาไปทําเหตุประเภทที่สั่งสมวิธีคิดที่มองมีทัศนคติหมุดหงิดมองสิ่งต่างๆที่แย่ร้ายทั้งร้ายไม่ดีเป็นต้นอะไรเนี่ยแล้วสั่งสมมาอย่างยาวนาะนจนกลายเป็นคนมีลักษณะแบบนี้คนบางคนมีลักษณะประเภทที่เป็นคนฟุง้งซ่านเป็นคนที่ลังเลสงสยัยไม่กล้าตัดสินใจคิดอะไรออกยากเหลือเกินเนี่ย ไปสร้างเหตุจากการที่ไม่ชัดเจนตัวเองมาไม่ยอมตัดสินอะไรง่ายๆไม่แยกทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่านี้ผิดอันนี้ถูกก็เอาไม่กล้าไม่กล้าอยู่นั่นแหละไม่กล้าที่จะเดินว่า น, นี้มันผิดอันนี้มันถูกก็แยกแยกไม่ออกด้วยความเก่งใจบุคคลเก่งใจสถานที่เก่งใจวัฒนธรรมประเพณีเก่งใจเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแล้วเข้าแล้วเข้าการเป็นคนโมหะมีกําลังไปสั่งสมวิธีคิดแบบนี้มาเนี่ยได้กลายเป็นคนมีโมหะเยอะ คนบางคนเนี่ยเป็นคนไปสั่งสมวิธีเองเห็นคนบางคนเป็นคนที่วิตกกังวลตลอดกังวลตลอดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟโอ้โหวิตก ก, กังวลตลอดเจออะไรเรื่องเล็กๆในน้อยแต่วิตกกังวลเกินเหตุเรื่องบางเรื่องยังไม่ถึงสถานการณ์เราววิตกกังวลล่วงหน้าทั้งหลายรู้ทันทีเลยนะผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้มาจะเเีตอุอะไรไปสั่งสมวิธีคิดแบบนี้มายัางไงต่างๆไปต้น คนบางคนที่เป็นคนมีความเชื่อมั่นในความดีทั้งหลายก็รู้ว่าสั่งสมอะไรคนคนนู้นคนมีปัญญาสั่งเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าเห็นผลแล้วสืบสาวหาเหตุได้พอกระบวนการความคิดที่คิดอย่างนี้ได้อย่างช า, านาญคิ ด, ยดอย่างเร็วรวดเร็วเนี่ยประการต่อมาก็คือเห็นเหตุออตออบอกว่าเห็นเหตุพอบอกเห็นเหตุปุ๊บ ก, ก็รู้ทันทีว่าผลในอนาคตจะเกิดอย่างไง คือสามารถมองได้เลยว่าคนคนนี้ทำเหตุอย่างนี้กำลังสั่งสมบุคลิกภาพพฤติกรรมอย่างนี้รู้ทันทีว่าผลจะตามมาในหนึ่งงแยกองค์ประกอบได้หมดการที่มีความชำนาญทั้งเรื่องผลเรื่องเหตุรู้จักเหตุคือตัวตัวธรรมะโดนตัวตัวนี้แล้วก็รู้จักเขตนี้ว่ามาจากเหตแบบนี้จะให้ผลอะไรรู้จักผล รู้จักความหมายรู้จักอไอตัวผลเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะสร้างเหตุแบบนี้แล้วก็รู้จักว่าทําเหตุอย่างนี้จะได้ผลยังไง ร, รู้จะเขียนรู้แล้วนเข้าในเข้ามันรู้จักอะไรอีกมันรู้จักตนเองคนบางคนเนี่ยประเมินตัวเองไม่ออกนะแต่ตนเองมีความ เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นตรงเองมีความเพียรหรือไม่มีความเพียรตนเองเป็นคนมีศักยภาพมีสติหรือไม่มีสติไม่รู้จักตนเองเนี่อรู้จักตนแล้วก็รู้จักประมาณว่าเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราควรศักยภาพของเราเนี่ยเราควรอยู่ในบ้านแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนอาหารประเภทไหนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไรเนี่อรู้จักประมาณ หมดเลยเราเนี่ยหรือตัวเราเองหรือคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยคนคนนี้ประมาณที่อยู่เขาควรยังไงอาหารขเขาเป็นยังไงรู้จักประมาณรู้จักการการนี้ควรทำอะไรนะการนี้ควรทาอะไรแล้วก็รู้จักสภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมแล้วก็สามารถเจาะเข้าไปรู้ถึงบุคคลได้ บุคคลแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้าไปรู้ในรายละเอียดว่าคนนี้มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาคนนี้ชอบฟังหรือไม่ชอบฟังคนนี้ฟังแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจคนนี้เข้าใจแล้วสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติได้เนี่ยคือสามารถเจาะละเอียดได้ขนาดนั้นนั่นในคนที่ฝึกตนเองจนชำนาญนี่ก็เรียกปุพพะประโยชอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะมีตัวนี้ได้มากก็คือเป็นคนที่สอบถาม เข้าไปอยู่ใกล้ครูใกล้คนที่ผู้รู้ทั้งหลายต้องมันสอบถามมันสอบถามเพื่อให้เกิดเกิดความคิดที่ว่องไวเมื่อเกิดเมื่อสอบถามไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปลงมือลงเมื่อถ้าเมืม่อเมือม่อไปฟังฟังฟังฟังปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปสรุปประเด็นสรุปจับประเด็นได้พอสรุปจับประเด็นได้ก็เอาไปไปเกิดคิดจนเกิดความเข้าใจแล้วก็ไปวิจัยต่อ หนึ่งฟังสองวิจัยต่ออาศัยจากที่ปัญญาที่เกิดจากการฟังจนเข้าใจแล้วก็เอาไปคิดตกผลึกต่อสามารถคิดได้ลึกกว่า น, นั้นกว้างกว่า น, นั้นเนี่ยวิธีไถได้แยกแยะได้มากกว่า น, นั้นจากปัญญาสองประการนะครับนะครับมันจะเกิดจะเกิดไอ้ปัญญาประเภทปัญญาประเภทปฏิภาณนะเห็นไหมจากการสั่งสมเนี่ยสั่งสมมาจนชํานาญเป็ดเสร็จนะข้าวนะข้าจะเร็วมากนนี้ พอความโลภเกิดขึ้นมาปุ๊บอายกตัวอย่างเช่นมันถูกถูกสอนไว้หมดเลยเช่นเอ๊ะทำไมเรามองเรามองคนอื่นปุ๊บเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าถ้าเจอคนที่มีบุคลิกภาพดีดแะ่รเราจะชอบเขามากใช่ไหมวิธีการเบ็ดเสร็จปุ๊บถ้าทาง ม, มันอยู่ใกล้ครูใกล้คราพคราท่านบอกว่าให้ให้ใส่ใจผมขนเล็บฟันหนัง คือให้ให้ให้มองผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังพอคิดคิดพิษผมแล้วก็คิดจนเห็นผมทั้งหมดพอมองถึงขนก็รู้ทั้งหมดว่าที่นอกจากผมตรงนั้นเป็นขนขนตามลรผิวหนังตามผิวนางหลไรก็ขนแล้วก็มีเล็บ20สิบเล็บแล้วก็มีฟันโอ้โหแล้วก็หนังมีหุ้มอยู่คิดอยู่แค่นี้พอคิดถึงโยมแหวนปุ๊บก็คิดเห็นผมเห็นเล็บผมขนเล็บฟันหนังคิดถึงใครก็ผมขนเล็บฟันหนังหมดเลยแต่เนี้ย น้เข้าน้เข้ามองใครเนี่ยไม่ได้มองไปที่บุคคลแล้วเพราะมันชํานาญมากมองทีไรก็เห็นผมขนขนได้ฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังแล้วปัญหามันไม่เกิดใช่ไหมความพอใจมันไม่เกิดนี่นี่นี่หนึ่งอุบายนะวิธีการนี่อ๋อทําไมเรามองแล้วกิเลสมันไม่เกิดเพราะมันเจาะจนเห็นหมดแล้วมันคือผมคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังผมขนเล็บฟันหนังมันเห็นจนเห็นจริงๆนะไม่ใช่ไม่เห็นพอไปมองนึกถึงยมแหวนปุ๊บมันไม่ได้มองเป็นชื่อแล้วไม่ได้มองมมองไปคือผม มองไปที่ขนทั้งหมดมองไปที่เล็บมองไปที่ฟันในปา่ามองไปที่หนังคมอยู่ทั้งหมดแผ่นหนาโอ้ไม่เห็นงามไม่เห็นหน้าชื่นใจเท่าไหร่ตรงนมมี้เห็นไหมเนี่ยมมทีนี้มันคิดไปทุกคนคิดถึงไทยไม่ได้คิดถึงคนมันคิดถึงผมโคเลตฟันหนังผมคนเลตฟันหนังว่านี้มันเลยมีที่ปัญญามันเลยไม่ได้ที่อาศัยไอ้ตัณหาไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยมองไปปุบตัณหาไม่เกิดอย่างนี้นะ เออนี่อย่างนี้เป็นต้นคือมองเจาะไปแล้วปริตภัณมันเกิดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เอ๊ะมองทําไมเราจึงสามารถกําจัดความเครียดความหงุดหงิดได้อ๋อฝึกมันฝึกจากตนเองเนี่ยเมตตาตนเองก่อนไม่เอาไม่เอาไฟคือโทสะมโหเข่าตนเองใช่ไหมพอไม่เอาไฟคือโทสะเขาตนเองเส็เสร็จปุ๊บแล้วก็นึกถึงคนอื่นนึกถึงยอมแหวนก็เมตตาเข้าไปครอบงํามหมดแล้ว แล้วก็ตั้งความรู้สึกว่าเราจะไม่โกรธท่านคนนี้ไม่ว่าท่านคนนี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรจะมีการกระทำอย่างไรมีสภาพจิตใจอะไรก็จะไม่โกรธจะทําความเยือกเย็นทางจิตใจใเกิดขึ้นเนี่ยไปไปชําระหมดเลยมองใครมองรูมน้องมองใครทั้งหมดอะไรเนี้ยมันชําระไว้หมดแล้วเรียบร้อยมองอยังไงต่อให้เขามาดิ้นต่อหน้าตาก็ไม่โกรธให้พูดหยาบได้ก็ไม่โกรธทําไมถึงไม่โกรธเพราะเราตั้งความรู้สึกไว้แล้ว แล้วเราเมตตาแล้คนคนนี้ต่อให้มันตะโกนโหดร้ายยังไงก็ไม่โกรธเข้าใจมันแล้เนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยปฏิภาณมันเกิดเร็วมากปัญญามันเกิดเร็วมากทุกเรื่องมันมาจะฝึกใช่ไหมมาจะฝึกมาจากฟังทั้งแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเดิมากเราเราไม่ได้วิธีการฝึกเหมือนว่าเอ๊ะมองยังไงที่จะทําให้เกิดความกําหนัดยินดีแต่พอไปฝึกตรงนี้จนได้เสร็เสร็จโอ้โมองยังไงก็ไม่กําหนัดเอาจะมองคนเป็นผมคนเล็กฟันหนังแล้วจะกําหนัดมั้ย จะไม่กำงานเลยมันไม่ใช่เห็นเราอย่างเดียวนะมองคนอื่นก็มองไปที่ตรงนี้แหละคิดถึงคนอื่นก็คิดแค่ผมขนเล็บฟันนะอ่ะคิดแล้วมันเห็นจริงๆเห็นฟุบขึ้นมานจริงๆผมขึ้นมาในความรู้สึกขนก็ขึ้นมาในความรู้สึกเล็บก็ขึ้นมาในความรู้สึกฟันฟุบก็มาหมดเลยทั้งฟันในปากหมดเลยหนังที่หุ้มสตรีละทั้งหมดเนะี่ยมันเห็นแค่นี้เห็นแค่ผมขนเล็บฟันนะอ่ะอันนี้พอมองอย่างนี้ปุ๊บตัณหามันไม่เกิด นี่คือเรื่องปฏิภาณเนะี่ยเร็วมากมันแก้ไขสถานการณปุ๊บปบปบเหมือนคนขับรถเนะี่ยเขาจะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยมันแก้ไขได้ทันทีความชํนานานญะคนที่มีปฏิภาณในเรื่องเรื่องการละบาปในใจก็เป็นแบบนีนะ้อย่างนี้เป็นต้นเพะมองเห็นไนดะ้อสองกรรมฐานนะครับเนี <c oughs> ่ยเมตตากรมาารมฐ า, านสุภัสกรรมฐานประจันสรุปไปแบบสั้นๆนิดเดียวให้มันมันมองแล้วมันเข้าใจได้เพราะว่า นเหมือนพ่อไอตัวนี้ไ <information> ด้ยากคือปฏิภาณเวลาพระให้พรอายุวันน่าสุขภาระปฏิภาณก็แปลว่าให้เรามีปัญญาเร็วแก้ไขปัญหาได้เร็วรวดเร็วแล้วก็สามารถกําจัดกิเลสในใจตนเองได้อย่างรวดเร็วและที่ถ้าชํานาญมากกว่านั้นเห็นคนอื่นเกิดกิเลสแก้ปัญหากิเลคนอื่นได้ยเช่นคนอื่นเขาโดนลูกสอนคือโลภะโทรศท์โมหะเสียบมาเนี่ยถอดให้เขาได้ เขาเองเองว่าเขาโกรธมาก็มไปฝึกไปบอกเขาเลยทำอย่างนี้เขาเขาหายโกรธได้ทันดีเลยต้องฝึกเขาตัวใช่้าฝึกตัวเองก่อนต้องฝกตัเองก่อนเพราว่าเราไปตั้งท่าทีกดเกณฑ์เอาไว้มากตั้งแต่เกิดต้องว่าเพราะแบบว่าบางทีไม่เห็นโยมกี่ไมมาโยมเวอร์ชันนันเริ่งหนุน ไหนบอกให้เราโทรบอกว่าถ้าโยมมลมาจะมาแล้วพอโทรบอกก็ไม่มาก็เริ่มหยุดนิ่งว่าเนี่ยช่วยตัวเองอย่างเงี้ย น, <c oughs> <c oughs> นี่คือปัญหาข <c oughs> องโยตรงนี้ก็ถ้าเรารู้ตรง น, นี้วิธีแก้ก็คือว่าเวลาใครพูดอะไรมาสร้างความรู้สึกว่า <c oughs> เขาเขาบอกอย่างนี้ย เขาจะทําตามที่เขาพูดก็ได้ไม่ทําตามที่เขาพูดก็ได้เพราะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นก็ให้เข้าใจความจริงตามนะงนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้เราก็จะวางท่าทีอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เราจะวางท่าทีอย่างนี้คือมันเข้าใจไว้ก่อนเพอเพอเพียงชาวฟังคำพูดเขาเราก็รู้แล้วส่วนนี้แล้วก็ที่เคยคพบกันมาเขาก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆทีทําไปไม่ใช่มึ่งเป็นแต่เนี้ยพออย่างเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยก็แทนที่จะวางท่าทีก็ไปคิด ูอย่างนี้อีกแล้วไม่อย่งางนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเพราะจริงๆปัญญาไปเห็นแต่ต้องทำความรู้สึกว่านี้คือความจริงเอาประโยชน์จากความจริงก็คือว่าทำให้เราได้ปัญญารู้ความจริงอย่าแตกเลยว่าทำไมเขาเก่งออกจากความทุกข <c oughs> ์เนีเพราะความที่บางคนใน่นื้อลงแรงเรงื่องมากมาย เชื่อหมว่ากิเลสที่เกิดขึ้นกับเขาคิฏฐิที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็คุมเขาจนไม่ให้เขาจนเขาไม่กล้าที่จะเข้าหาปัญญาเพราะอะไรถ้าเขาเข้าหาปัญญาเนี่ยเขาจะถูกทาลายความเห็นของเขาะที่เขาเคยเป็นเนี้อเป็นตัวของเขาเหมือนโยงแหวนเนี่ยถ้าไม่กล้าจริงๆไม่กล้าเข้าหาปัญญานะเพราะว่าเคยใช้บริการแบบนี้มันได้ผล เช่นตั้งหงุดหงิดขึ้นมาลูกน้องจะต้องวิ่งข้ามกันหมดเลยเออตรงนี้มันได้ผลถ้าเราไปใช้อีกนิดนึงไปใช้เมตตาเฮ้ยมันเยื่ยยอญาติกและเกินมามันไม่ทันออกทันใจเลยแท้ที่จริงถ้าใช้ปัญญามันกลับได้ผลมากกว่าถ้าใช้ปัญญาจากกัดการมัได้ผลมากกว่ามันเคยใช้บริการเช่นคนที่ขี้โปกและปกของลูกน้องเยอะๆถ้ามาแบบเทียย เรียกขาหน้าบึ้งขึ้นมาโอ้น้องฟุ้งหเลยมันเคยใช้บริการจนติดแต่ถ้ามาวันหนึ่งบอกว่าปัญญาบอกวิธีการที่คุณใช้เนี่ยไม่ดีจริงหรอกเบียดเยนตระเลงเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมโอ้โหตอนนี้เราแสดงว่าที่เราทํามามันใช้ไม่ได้มันเสียเสียหายมากเลยนะเนี่ยแค่ที่จรินมันไม่ใช่เรามันเป็นตัวกิเลื ใช่จริงๆมันเกิดตามสืบต่ อ, ตอเพ้ยบอกให้ใช้ใช้วิสพาวะทำตัวใหม่แทนที่จะใช้โทรศัพท์ขับเคพื่อนทิชชิ่ขับเพื่อนก็ใช้ปัญญาสิเขาบอกโอ้โหทํามาถ้าม า, มามเปลี่ยนเพื่อจะใช้ปัญญาเนี่ยมันยากสําหรับเขาเพราะในชีวิตเขาเขาไม่ไม่ไม่ได้เดินวิธีคิดด้วยด้วยปัญญาแบบนี้นั้นจะแปลกใจว่าผมเพื่อนที่เขาพูดว่าจะมาแล้วเขาไม่มา ลึกๆจริงๆเขายังเห็นประโยชน์ที่เขามีบุคลิกภาพมีสภาพจิตใจมีความเหนเื่อยลึกๆเขายังไม่อยากออกแล้ ว, ลวปรนะโยชน์มันคืออะไรประโยชน์ก็คือความเป็นตัวเป็นตนของเขานั่นแหละความเป็นตัวเป็นตนเขาเขาเหมือนว่าถ้าเขาเปลี่ยนเหมือนคนขับรถเขาใช้คนนี้ขับเขาจเนี่ยกระแสะชีวิตของเขาโลกาโทราัพทเหมือนคนขับ ชีวิตเหมือนรถเขาใช้ตัวนี้มาเป็นคุค้นเคยถ้ามาวันหนึ่งย่อมแสบจะมึบอกเขาเปี่ยนคนขับรถเปลี่ยนคนรถเลยให้ใช้สติแทนให้ใช้สมาธิแทนให้ใช้ปัญญาเถอะโอ้โหไม่ทันใจตอ้องติดเลยเขาไม่อยากแเกิดมันทั้งทั้งที่ให้ทุกเขาขนาดนั้นแต่เขาผูกพันในกิเลสประเภทนี้มาอยางยาวนานอย่าแตกเป็นเรื่องปกติแต่เรียก ว, ว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้น ตอนแรกยงเคียบว่าจะไม่มาแล้วค่ะเออเขาก็บอกว่าเนี่ยว่าลูกเขาจะมาเขาไม่ว่างและในที่สุดคือจริงๆพอมันทุกข์มากแล้วค่ะยงก็ถามอีกทีเขาก็เลยมันวันนั้นมันทุกมากแล้วเขาไม่มา าาก็มาเขาว่าก็ดีนะเ จ, <อ>จ้า่ะหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยนื่นองาก่อนหน้านี้โยมยังพุ่งกับเขาหลาหังจากนั้นเราบอกว่าเนี่ยพี่เจียก็ไม่รู้ตัวว่าก่อนหน้านี้เวลาแม่แบบพูดแต่โยมเนี่ยเหมือนเพื่อก่าแต่โยมรู้ว่าเขาไม่ได้โกดโย<อ>มแต่ว่าค่ั้นข้างในมันรอมันไปหมดแล้วเจ<อ>้าค่ะแล้ววันนั้นคือมานีคือมันไม่เห็นทางเหือนพโยมก็บอกว่าถ้าถ้าถ้าพีกลับไปหาทาราิสพี่เชียก็จะได้ คำแนะนําเดิมๆแล้วมันก็ไม่ได้หลุดออกมาเพราะเขาไปปรึกษากิเกี่ยว <Okay. S 1> กับโอเคแล้วมันคือมันมันถึงมันจุดไม่มันไ ม, นมน่มันไม่หลุดหรอเจ้าค่ะแต่ ว, ว่าโยมก็พยายามพูดกับทั้งทั้งโยมบุญและโยมเชียบอกว่าการที่ได้ครูบาอาจารย์นะไม่ใช่ของมากเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องต้องพยายามให้ให้ได้คําสอนโยมโยมหมอเลื่องหัโยมจำไปเจอพระอาจารย์นิยมปีนเขาไปหลายลูก ดินดำที่เขาหลายรูปจริงๆด้วยค่่ยหายค่อยลืมตให้มันหลุดไม้ได้ให้ไปเจอความบริสุทธิ์นู่นนี่นั่นใช่จ้ะเดี๋ยวให้พอาจารย์ทัก